ขอความสุขความเจริญยมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอพระสูตรในนามว่าธรรมทายาสูตรพริสูตรที่ว่าโดยการมารับมรดกแข่งธรรมะซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่า สิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากอากุศลทั้งหลายถ้าเราไปรับสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นอา m i ส h a ญา t สิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยกระแสะของกุศลทั้งหลายถ้าเรามีการศึกษาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นธรรมธาญาต ทีนี้ปริยาแห่งธรรมะนั่นก็มีการจำแนกแสดงไปโดยลำดับแต่สรุปแล้วก็คือมีสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มมารกษัตร์กับกลุ่มของสมุทัยศัตร์กลุ่มมารกษัตร์เป็นการแสดงกุศลและธรรมชี่พึงประพฤติปฏิบัติกรําบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้น ในพระบาลีพุทธวจนะที่ส่งอธิบายก็ดังได้อธิบายมาแล้วว่าสมาธิิก็คือปัญญาเห็นชอบในอริยสัจสี 4, แต่ต้องเป็นการเห็นด้วยระดับญาณเห็นแล้วกิเลสต้องลดนะคือถ้ากิเลสไ็นลดลงไปก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง พระตาฐาจารย์ได้นำมาอธิบายขยายความถึงอะเรียมักแต่ละข้อเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่อะไรบางอะไรเพิ่มขึ้นอะไรลดลงตันนี้ก็ตัวอย่างคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารนะค่ัหมายความว่าอาหารในภาชนะ ล, ลดลงอาในท้องเราเพิ่มขึ้น เอะดิหิวลดลงความหิวลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นพอปริมาณอาหารหมดไประดับหนึ่งเราก็รู้สึ ก, กว่าววอิ่มปัญหาเอะหิวก็ดีความหิวก็ดีมันหมดไปก็ยังเหลือความอิ่มกับอาหารที่อยู่ในท้องซึ่งในหนอนอาหารเหล่านั้นก็อยู่ในกลุ่มทุกข์สัตว์มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องย่อยสลายไปในจำนวนมรรคเหล่านั้นท่านบอกว่าสมาธิธิเกิดขึ้นย่อมละมิชาทิติคือสมาธิธินั้นเป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องละสมา ธ, ธิิโดยธรรมชาตินะครับก็ทํานองคล้ายๆกระแสน้ำหวางเกิดขึ้นก็กระจัดความมืดนั่นเอง ดันั้นเราก็ต้องเห็นสองอย่างเกียวกการเพิ่มขึ้นของสมาธิธและการลดลงของมิจฉาทิฐิแลวกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสมาธิธนั้นละลอวิชาได้หมายความกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นซึ่งมีร่างง่ามมาจากอวิชาสมาธิธิก็เป็นปัญญาหรือวิชาน่แหละ มิชาทิฏฐิก็เป็นอวิชาเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาหรือวิชาเกิดในอวิชาตรงรับแล้วก็กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์คือจิตจดจอมุ่งไปสู่นิพพานด้วยพลังของอิทธิบาทคือมีความพอใจในนิพพาน พยายามที่จะปฏิบัติเพื่อก้าวไปสูน่นิพพานมีจิตใจจดจ่ออยู่กับ น, น, นิพพานแล้วก็มีปัญญาพินิจพิจารณาดูจิตของตัวเองไปโดยลำดับแล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในจิตของตนเองแล้วก็เห็นสมมามยุตรธรรมคือธรรมประเภทเดียวกันน่ะามประเภทกุศลด้วยกันมันเกิดร่วมขึ้นมา อย่างยกตัวอย่างอย่างี้ว่พราในขณะที่เรามีอธิบาทเราก็ต้องมีธรรมะอย่างคือเช่นว่ามีความอดทนมีการตั้งใจหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีความบากบั่นอย่างต่อเนื่องมียทิฐานจิตไปมีอะไรต่ออะไรต่างๆอีกเยอะ เขเรียกว่าสัมปยุตตธรรมคือธรรมะที่เกิดพร้อมหรือเกิดร่วมก็เป็นทั้งอกุศลและกุศลแตในที่นี้พูดเฉพาะกุศลมันก็เกิดร่วมด้วยกันจะเช่เราเกิดศรัท ธ, า, า, า, ใธใ า, าในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเกิดศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์เราเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ศรัทธาในตจสิกขา เราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ศรัทธาในสมาธิเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศรัทธาในหลักคำสอนที่เรียกว่าการปฏิสัมฐานที่ทรงแสดงเอาไว้พวกนี้ก็เกิดร่วมขึ้นมาจากศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือว่าลีามาก์เป็นองค์ประกอบการก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเรามีปัญญาเห็นชอบ เพราะมีปัญญาเห็นชอบก็ทำให้เราดำริชอบเพราะมีปัญญาเห็นชอบเราก็มีวาจาชอบเพราะเรามีความเห็นชอบเราก็มีการประพฤติชอบเพราะเรามีความเห็นชอบเราก็มีการเลี้ยงชีพชอบมันก็ไปหมดแหละตังสมาวยามาสมาสติสมาสมาธิเพราะนเมื่อสมาธิที่เขาเด่นเนี่ยอีกเ็ดข้อก็อถือว่าสำเบนเป็นสำปรยุติธรรม จธรรมะที่เกิดร่วมกันแล้วก็มีความชัดเจนในสมยุตธรรมเหล่านั้นโดยไม่งมงง่ายไม่จะเห็นโดยความเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสมาธิหมายความว่ากุศลละธรรมเหล่านั้นที่เกิดร่วมเนี่ย มันมีปริมาณเพิ่มตามสัมมาทิจิตที่กังเกิดขึ้นเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเราเห็นการตีอริมักกลายเป็นมักกสามังคีก็คือว่าสามังคีก็คือคณียมักในองค์ประการเกิดขึ้นบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ตกผลึกเป็นเมื่อเดียวกันก็ทำให้ ได้ปรุสมาญาณคือความรู้ในทางจิตจบทีนี้สองกับสัมมาสังกัปะคือความดำริชอบเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมละมิชฌาสังกัปะคือความดำริผิดความดำริผิดคืออะไรก็คือความดำริด้วยอำนาจของความใครในสิ่งที่ใจกำหนดว่าน่าใคร ความระเบีด้วยความอาฆาตพยาบาทในสิ่งที่ใจกาหนดด้วยความโดยโทสะด้วยรพยาบาทและความระเบีในการเบียดเบียนันเป็นสัญชาตญาณดิบซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โกและในขณะเดียวกันกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นซึ่งเป็นปฏิปักิต่อสมาสังกปะก็ถูกทำลายไปด้วย แมาความมากิเลสประเภทโมหะมันจะลดลงไปทีนี้เมื่อโมหะลดลงไปเนี่ยพวกโลภะพวกโทสะก็ลดตามไปด้วยทีนี้โดยผลของการปฏิบัติก็คือกระทํานิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วปลูกฝังสัมปยุตธรรมคือกุศลธรรมที่เกิดร่วมเป็นเครือเป็นสายเดียวกันกันกบสมาสังกัปปะ หมายความมากุศลธรรมกับกุศลแลธรรมก็เข้ากันได้ทั้งนั้นนะหรืออกุศลกับกุศลก็เข้ากันได้แล้วประนิษฐกระทำนีพพานในเป็นอารมณ์เหมือนกันเราปลูกฝังสมยุติธรรมทั้งหลายไว้ในใจโดยชอบเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความดําริในทางที่ชอบนี่ก็ ประเด็นข้อหนึ่งทีนี้ต่อไปสมาวาจาสมมาวาจาเมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนกันคือย่อมละมิฉาวาจาที่เป็นค่าศึกต่อสมาวาจาละมิฉาวาจาก็คืออะไรก็ละการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหก็มาพูดคําที่เป็นคําสัตย์คําจริงคําส่งเสริมสมคัคคีประสานสมัคคีกระชับสมัคคีแต่คําที่มีความไพเราะ อ, อ่อนหวานและก็มีสาระประโยชน์ แล้วก็ทาในิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าอาริมักนี่นำส่งไปสูน่นิพพานบนแต่และข้อมันก็ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วก็ยึดถือสัมปยุตธรรมทั้งหลายไว้โดยชอบหมายกวามาทำที่เป็นกุศลร่วมกับที่สนับสนุนให สมาวจาดํดำเนินไปได้โดยปกติแล้วก็มีความเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นอาการอย่างนี้ก็เป็นสมาวจาเป็นวิจาที่ชอบพูด ง, ง่ายว่าถ้า้องคิดดีอยู่ตลอดนะนะแต่ถ้าขณะใดเราคิดไม่ดีเนี่ยมิจฉาวิจามันก็ต้องเกิด แต่ความคิดดีเนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นสมาสังกัปปะก็เป็นสมาธิถีด้วยนั่นแหละสมาสังกัปปะด้วยแต่ตนขณะเดียกันเราจะเห็นว่ามีสมาวิมารสมาสติสมา ส, สมาธิอยู่ด้วยก็ทำไมงนั้นเราก็รักษาวาจาที่เป็นสุจิริฏไว้ให้ต่อเนื่องไม่ได้สัมมารกรรมตตะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะละมิจฉากรรมมันตะคือความประพฤติในทางจิตพิดสมาสมาสม า, สมากรรมมะตะเป็นการงดเว้นจากการล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตทรัพย์สินคู่ครองคนอื่นก็ต้องละต้องละการประทุษร้ายชีวิตทรัพย์สินคู่ครอของบุคคลอื่นในขณะเดียวกันและกิเลสประเภทเนี่ย ประเภทที่กระตุ้นพวกโลภะพวกราคะเนี่ยตลอดถึงกระตุ้นโทษสะให้จางคลายลงไปแล้วก็ธรรมะเช่นเช่นอะไรเช่นเมตตาเช่นสมมาชีพเช่นการสารวมระหว่างในเรื่องเพจก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็กระนิษ ก, กระทนิพพานให้เป็นอารมณ์เหมือนกัน แล้วก็ยังสัมบัญญติธรรมทั้งหลายให้ตั้งขึ้นโดยชอบคือปัจจัยเสริมที่ให้เราดำรงสมากรมมันตะไปได้อย่างต่อเ น, นื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าสมากมมันตะคือการงานที่ชอบหรือความประพฤติ ท, ที่ชอบก็เป็น กระบวนการของกุศลละธรรมนั่นเองประการต่อไปก็สามาชีวะมันก็เหมือนเดิมเหมือนเขาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปทำลายพวกมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะก็คือการแสวงหาด้วยความโลภโกรธหลงตัวไหนก็โลภหลงเนี่ยหรือว่าราคะโลภะกับโมหะ กนแสวงหานในทางผิดเมื่อจะออกมาในลักษณะอย่างนี้ตอนก่อนดูข่าวกันรู้สึกจะรอบยิงผู้สมัครไม่ใช่ผู้สมัครนะฮะตัวนาายก อ, อกบอกตอแล้วก็มีข่าวว่าเคยถูกรอบยิงมาสามครั้งแนละ้วเป็นเรื่องการเมืองส่วนท้องถิ่น เดี๋ยวฟังแล้วก็สลดใจนะแล้วทำไมจะต้องถึงการทำลายล้างกันขนาดนั้นเพียงเพราะอยากเป็นเท่านั้นเองการเป็นนี่มันอยู่ที่การตัดสินของประชาชนไม่ใช่การตัดสินของคู่แข่งเราก็แข่งกับตัวเองสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับรับถือของประชาชน ในตําบลนั้นนั้นมันก็ได้รับเลือกตังเองแต่แม้กว่าเพื่อจะได้เป็นเนี่ยมันต้องฆ่าชีวิตต้องทําลายทรัพย์สินแล้วสังคมเองก็กระทบพุเทือนในสุดคนที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบสงบแล้วก็อยากจะช่วยชาติบันเมืองก็ไม่กล้าเข้ามาสิน เพราะว่าคนเราก็าต้องการทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายกอบตก็เป็นประชาชนสามัญธรรมดานี่แหละมันก็สามารถจะทาประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้แต่ว่าชาติบ้านเมืองเองก็จะขาดแคลนคนซึ่งพร้อมที่จะเสียสละมาทำงานเพื่อพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประเทศ ดูอะไรอะไรมันก็แรงนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดหลักของศีลตรงนี้มันจึงไม่มีทั้งสมาวาจาสมากัมมันตะแล้วก็สมาชีวะก็หมายความว่าเป็นความเห็นผิดด้วยมันความคิดที่ผิดด้วยพพยายามก็ผิดเลยรวนกันหมดเลยนันสมาชีวะนั้น หนึ่งอยู่หนก็ต้องทํานิพพานในเป็นอารณ์แล้วก็ยังกุศลธรรมประเภทเดียวกับตนนั้นในเกิดขึ้นโดยชอบจึงเรียกว่าสมาชิตหมายความว่ามากุศลธรรมในเป็นหลักการในการคุ้มครองใจในการประกอบอาชีพคือเราทํางานประกอบอาชีพวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงระหว่างกุศลกับอกุศล เกิดลูกขึ้นบูบเดียวเนี่ยเกิดโลภขึ้นบูบเดียวเนี่ยใช้ตาช่างโกงได้แล้วใช้เครื่องวัดโกงได้แล้วบอกราคาสินค้าผ่านได้แล้วก็เพิ่มบาปขึ้นยียงเพราะต้องการเพิ่มเงินตัวเองแต่ว่าเงินที่มันเพิ่มนะ่มันเพิ่มจากกระเป๋าคนอื่นถึงการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเดืเดขาดความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพมบาไปไเยอะอนี้ประการต่อไปนั้นก็คือสมาวยามะก็เหมือนกันนะคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะละมิชาวยามะแล้วก็ทำที่เป็นเครือข่ายเดียวกับมิชาวยามะมาความประเภทอกุศลด้วยกันก็จะถูกลดละให้จางคลายลงไป และที่สำคัญอย่างยิ่งตรงนี้ก็คือไปละความเกียรติคาราญอ็สมาวิยามะความพยายามชอบเนี่ยต้องมีความหมั่นขยันบางช้างทรงใช้คำว่าอารัฐวิริโยวิหารติคือมีปกติดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเพียรพยายามซึ่งแน่นอนแหละตาหากว่า ลบปล่อยปล่อยความกีดยาร้านครอบงำเราก็เดินไม่ได้แล้วก็ททำนิพพานคือการดับกิเลสเป็นเป้าหมายให้เป็นอารมณ์เป็นจุดมุ่งหมายเห็นการจางคลายลดคลายลดลงไปของกิเลสแต่อย่ายากนะคือมาความมาหน้าที่เราก็ทำก็ทํานอนใกล้ๆก็เดินไปในที่ใดที่หนึ่งหรือขับรถไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ย ก็ตั้งจุดหมายปลายทางจะไปถึงตรงนั้นก็แล้วกันแต่ว่าอย่าอยากอย่าอยากจะไปให้ถึงเพราะว่าถ้าเป็นดังนั้นถึงจุดหนึ่งเราอาจจะคุ้มคว า, ามอยากไม่อยู่แล้วก็ขับรถเร็วปาดแซงเลี้ยวพร้อมที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ทั้งนั้นหือบางทีก็ฝนตกบางทีถนนลื่นบางทีมีรถมากอะไรต่อะไรต่างๆ การทำงานก็คือหน้าที่เราก็ทำงานมีจุดหมายตั้งไว้ชัดเจนจากนั้นก็ขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทางตรงหนึ่งแต่ไม่ทำด้วยความอยากในขณะเดียวกันก็ปรับเอาธรรมะที่เป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนเช่นสติเช่นสัมมจัญญ์เนี่ย สติสัมปชัญญะความอดทนความพยายามที่ต่อเนื่องเป็นต้นก็อยู่โดยกันอยู่ในกระบวนการเดียวกันแต่ถ้าเราดูที่จิตเราเราจะเห็นว่าเออมันมีกุศลธรรมใหญ่หลายข้อไม่ใช่ข้อเดียวมันเกิดขึ้นพอกุศลธรรมบางข้อมันหยอดเนี่ยทุกอย่างมันหย่อนตามความเชียนพยายามก็จะหยอดตาม แล้วก็ให้สมยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยทำที่ประเภทเดียวกันเกิดร่วมกันแล้วก็ในทางที่ที่ชอบเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสมาวยามะคือความพยายามในทางที่ชอบต่อไปก็คือสมาสติสมาสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะละมิจฉาสติ คือความระลึกในทางที่ปิดแล้วอกุลนละธรรมประเภทเดียวกันกับมิจชาสติที่มันเป็นคัาศึกต่อสมาสติในขณะเดียวกันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวความฟุง้งซ่านก็เรียกว่า สติสัมโมสาคือความหลงลืมเ ล, เลื่อนเอลือนเผลอพรั้งพราดของสติทีนี้แล้วก็พยายามให้ธรรมะที่ที่ส่งเสริมสนับสนุนที่เมมราม่ยอะแต่ทเนี่ยเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยก็ตำนองคล้ายๆกับเราเดินเนี่ย เ, เราจะเห็นว่าเราเดินๆๆือเดเดินไป เกิดเป็นตะเกียวึ้นมาทีเดียวเราก็เสร็จละเราพวกนี้มันเป็นสัมปัญญัตธรรมคือการไม่เป็นตะคริวนเนี่ยมันเป็นสัมปัญญัตธรรมคือต้องเกิดร่วมกับการเดินเราเกิดเล่นมาทาให้เกิดตะเกียวกันมาเราก็เดินไม่ได้นี้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเดินของเรา สมาสมาธิก็เหมือนกันคือหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะกรจัดมิจฉาสมาธิคือความตั้งจิตไว้มัน่นแต่มันผิดเป็นมิจฉาสมาธิและก็กิเลส ท, ที่เป็นประเภทเดียวกันกับมิจฉาสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวการสำคัญเนี่ย ก็เรียกว่าจิตตาวิเคปะคือจิตมันฟุง้งสมาธินี่มันไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะคือโดยเฉพาะพวกนิวร์เนี่ยมันจะดึงเราไปดึงมาโยกไปเยกมาบางครั้งบางคราวแม้แต่ฟังรายการธรรมะจากซีดีต่างต่างหรืออ่านหนังสือธรรมะเนี่ย เราก็เห็นว่าเราก็สู้กันนิวรณ์อย่างเงี้ยสติสมาธิปัญญาและความเพียรไม่สามารถที่จะควบคุมมาอยู่ในทิศทางเดียวกันได้ส่วนมากกุศลธรรมห้าข้อเนี่ยข้อไหนก็หนึ่งก็จะขาดไปจะเกิดขึ้นไม่ไม่สนับสนุนซึ่งกันเลยกัน บางทีหนังสือมันหายไปจากการรับรู้ของเราตัง้งสองสามบรรทัดการท่านที่ดอ่านมันทุกบรรทัดแหละแต่ว่าตอนนั้นมันเผลอจิตของฟุ้งอ่านแล้วปรากฏว่าอา้าวไม่รู้หมายความอย่ยังไงก็ต้องกลับมาอ่านมาัยิ่งอายุยิ่งมากยิ่งยุ่งแนวะมันก่อนคุยกับ พระผู้ใหญ่ก็เป็นประเด็นธรรมเก้าประโยคถามว่าเป็นไงความจำเก็บบอกว่าไม่ค่อยรับเลยในเรื่องราวต่างๆที่เคิดนเนี่ยจิตมันไม่เคยรับเลยก็ลืมไปทุกจินี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราก็ต้องชักกะเยอะกันอยู่เยอะต่อสู้กันอยู่เยอะ แล้วในขณะเดียวกันก็กรารที่ผ่านไปเป็นอารมณ์เหมือนกันแล้วก็ทําให้ทำประเภทกุศลประเภทเดียวกันอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เรียกว่าสมาสมาจิก็รวมแล้วก็เป็นการอธิบายภาคปฏิบัติในภาคของการปฏิบัติหมายความว่าเราจะชัดเจนหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่สติปริมาณสติของเรา เราลึกรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงแล้ ว, วต้ตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้มันเป็นอะไรเพราะว่าเวบันเกิดในขณะที่เราจเจริญสมาธิมันก็อะไรอะไรตะเนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นขึ้นบุนไปหมดแหละแต่เราทําไม่ได้ดีมันก็แกว่งทีนี้พระสารีบุตรได้กล่าวสรุปว่า มัธยิมาปฏิปทานนิแลเป็นต้นมีคำอธิบายว่าผู้มีอายุทั้งหลายมากไปองแปดซึ่งรวมโลกุตรนามสี่ข้าไฟด้วยนิแลย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความยรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกานแสดงโลพาโทสะและอุบายเครื่องละโลพาตุสสะนั้นแล ก็ชี้บรรดาธรรมทั้งหลายที่ต้องลายอย่างนั้นบันนี้ท่านก็ยกขึ้นมาตั้งแต่ความโกรธความโกรธมีลักษณะคือความเดือดดาลหรือความดุดร้ายมีหน้าที่คือผูกอคติและผลที่ปรากฏออกมาก็คือความรัดร้ายหมายความว่าพอปรากฏแก่จิตนี่มันเสียสูญนะ เราก็มีประสบการณ์โกรธมันด้วยกันก็รู้สึกว่าเดือดดาลแล้วก็คุมกายวาจาไม่ได้ก็จะออกมาใน ล, นลักษณะรุนแรงตอนก่อนฟังรายการอภิปรายทางวิทยุนิดหนึ่งนะฮะพวกเด็กอสสาสมัครทั้งหลายเนี่ย เขาเล่าถึงประสบการณ์ของเขาที่เพื่อนร่วมปฏิบัติงานได้ถูกฆ่าตายไปสองสามคนเขายืนบัตรให้ดูพอยื่นบัตรให้รูรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยยิงเปี้ยงเลยและยิงซ้ำอีกสานัดเราไม่ตายก็แปลกนะเอานึกว่าเออแล้วเอาอะไรมากโกรธอ่ะเนี่ย เอาอะไมากรธเพราะว่าเป็นพวกอาสาสมัครช่วยเหลือคนโดยไม่เลือกหน้าแล้วมีปัจจัยอะไรให้โกรธนอกจากว่าเป็นความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงคือหมายความมาถ้าพวกที่เรากําหนดเราเป็นเขาเนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้ เราก็กลูว่ละตั้นผิดไว้ผิดก็ถามพระที่เขาไปก็อบอกว่าพอเด็กๆ เ, เหล่านี้ได้เล่าถึงเรื่องเหล่านั้นชาวบ้านที่มาฟังเนี่ยก็พร้อมกันบริจาคช่วยเหลือบริจาคช่วยเหลือแต่ว่าคนก็เหลือเกินนะก็มีคนบางคนก็ เอาะไรเราถุงนะฮะถุงมากางแล้วก็เดินรับบริจาคพอได้พอแก่ใจแล้วหลบพักบเดียววิ่งหนีเลยโอ้มนุษย์นี่มันโหดร้ายเหลือเกินโหดร้ายทารุณเหลือเกินคือพร้นทรัพที่เกิดขึ้นจากกุศลและเจตนาที่ต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อน เราข้ามาตัดเอาต่อหน้าซึ่ ง, ซ, งซึ่งหน้าเลยพระโลนี้เราต้องต้องยอมรับอามันปรากฏได้เลยแม้แต่พระเองนะฮะบางทีเปเทรามาก็เคยโดนเราไม่จิตใจอะไรหรอกแต่เราติอเอดสังคมเนี่ยคือบางครั้งมันเป็นความชั่วร้ายที่แก้ไม่หายแต่ว่า บางคนก็คงเป็นเกิดความโลภขึ้นมาในขณะนั้นพอเขาเทศเสร็จลงมาคนก็ประเคนสิ่งของที่เรียกเครื่องบูชากันเทศแล้วก็มีคนแต่งตัวดีเข้ามาคนเจ้าภาพเองก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด แล้วก็พระเองก็ไปคิดว่าเจ้าหน้าที่ของวัดอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปรากฏว่าพอออกมาข้างนอกหาไม่เจอใช่แล้วแต่ก็กลับวัดแต่ก็ไม่ได้บอกเจ้าภาพอะไรเขาหรอกแต่เราก็เห็นว่าออคนคนเวลานี้ภาพเราเนี่ ย, ยมันเกิดได้เรื่อยๆบางทีก็เรียกว่าต่อหน้าต่อตากนันเลยเป็นเรื่องสังคมที่ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสสองคนนั้นเองก็สร้างปัญหาแล้วทีนี้ความโกรธเราจะเห็นว่าผลที่ออกมามันก็คือประทุษรายสมมติว่าใครไปขัดขวางเขาคนที่เอาอถุงมารับบริจาคคลายกรใจบุญใจกุศลหรือเกิดเนี่ยถ้าใครรู้เท่าทันเนี่ยเราก็เกิดโทสะ จะชกต่อยทุกตีเอาแล้วก็วิ่งหนีกันก็ว่ากันตามเรื่องความผูกโกรธมีลักษณะคือความผูกโกรธมีหน้าที่คือไม่ยอมสลัดชิ้งการจองเวรหมายความมาโกรธมากี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้ยังผูกโกรธอยู่เงี้ยเองผลนี่ปรากฏออกมาคือความโกรธจิกต่อเรื่อยไปเจอหน้าก็โกรธเกิดโกรธ คิ ด, ดคถึงก็เกิดโกรธมีคนพูดถึงก็ก็เกิดโกรธแล้วใครไปยกย่องก็โกรธคนที่ยกย่องอีโอยุ่งบรรญ่ได้ข้อนีตั้งกล่าวไว้ว่าความโกรธเกิดก่อนความผูกโกรธจึงเกิดมาภายหลังทีนี้การลบหลู่มีลักษณะคือลบหลู่คุณคนอื่นมีหน้าที่คือ ทำคุณของคนอื่นนั้นให้พี่นาคคือก็ทำความดีอะไรหรือว่าเขาดีเนี่ยก็เป็นคนดีแต่ว่าเราไม่ยอมรับยกย่องปฏิเสธเช่นปฏิเสธว่าแต่อย่างนั้นแต่อย่างนี้อย่าอาดีตนายกสองคนเนี่ยคุณบัญหาในคุณสมัคร คุณปัญหานั้นเขาเรียกว่าห้าสันคือไม่รู้จะเอาความชั่วสุขไหนมาตำหนิเลยเอารูปร่างมาพูดกันคุณสมัครก็ไม่รู้จะเอาความชั่วสุขไหนแกมาดา่าเลยก็ดา่าไปจมูกชมพูมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนี่ก็คือสิ่งที่ มันเกิดมาจากการลบหลู่คนอื่นเนี่ยทีนี้พอดีมันไม่มีจุดอ่อนถึงถึงก็ต้องไปลบหลู่ได้มันก็พยายามดึงเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีอะไรก็คนบ้านนอกมีอะไรแค่คนบ้านนอกเอาลูกชาวนาลูกชาวสวนลูกกรรมกรลูกพ่อเขาเป็นพลตำรวจฐานะเองอะไรต่งต่างเนี่ย ก็จะหาทถาทางมาดูหมินเขาอะแต่คนเราถ้าจะเอาจุดนั้นมาพูดเนี่ยมันพูดได้หมดนั่นแหละแต่ว่าพูดไปทำอะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเดืแต่เพราะกิจมันลบหลู่คนดือไม่ยอมรับน้บถือสถานภาพของคนก็ต้องคอยแสวงหาช่องที่จะลบหลู่เขาได้เรื่อย และการต่อไปคือการตีเสมอมีลักษณะคือคือเป็นคู่แข่งมีหน้าที่คือการทำคุณของตนให้เสมอกับคุณของคนอื่นแล้วก็ผลที่ปรากฏออกมาก็คือความปรากฏโดยการชอบประมาณตีดา เทียบคุณของตัวเองตีค่านะฮะตีค่าเทียบคุณขอตัวเองเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นไม่เห็นมันต่างอะไรกันเราก็มีความรู้เขาก็มีความรู้อะไรแต่อะไรต่างกันกวางกอนก็ฟังรายการธรรมะคือที่จริงเขาเป็น d ีบดีนะฮะเขาเอามาให้ฟังรายการธรรมะบอกเออหลวงพ่อนี่ก็พูดดีนะ แต่ว่าศสีนิดเดียวหนึ่งคือท่านไปกระแทกคนนั้นคนนี้คนนู้นอยู่ริมทางอยู่เรื่อยเลยเดินบนเส้นทางเนี่ยก็ไปเจียบไปริมทางเจนแล้วก็ดูโทรทัศน์ก็เจอรายการพระเขาสัมผณสเป็นพระกรรมฐ า, านมีคนไปสัมผณ์คือแก้ปฏิเสธคำกล่าวของพระตกทธา หมายความว่าจะเอาพระบาลีพุทธวจนะล้วนๆท่านนั่นเองของพระตรัสรัตนั้นเขาปฏิเสธไปในนามคล้ายๆกับ ว, ว่าไม่ถูกต้องซึ่งก็หลักความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าจากในพระสูตเนี้เราจะเห็นว่าคําว่าอมิทัตายาธรรมทัายะพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายเองใหนภาษาริบุตรอธิบายหรือพระอนุนันทิบายหรือพระหมากระจารนะอธิบาย ท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอริยะขอวหท่านพูดตามที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงแต่ไม่ได้พูดเราเองและที่สำคัญอย่างยิ่งก็มีพุทธานุญาตให้เราเรียนบาลีพุทธวจะนะด้วยภาษาของตัวเองเวลาเราสื่อสารนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดบาลีเพราะว่าบางทีมันเป็นอุปสรรคขัดขวางในการสื่อสาร คำมันยากเกินไปยัในการบรรยายรายการอภิธรรมออกทางวิทยุเนี่ยก็เคยเตือนท่านที่คุณคุ้นกันบอกว่าเคยฟคังอาจารย์พูดนะแต่มาสังเกตอย่างเดึ่งว่าอาจารย์ใช้คำสับทับสับมาเกินไป ทรัเหล่านั้นมันพูดกันในวงของเราได้แต่ว่าพูดออกวิทยุไม่ได้คนขวางก็เจอทัพย์ที่ไม่รู้เรื่องกันสี่ห้าทัพท์เขาก็หมุนขึ้นไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็มีแฟนคลับอยู่ไม่กี่คนนั่งขว้งนั่งขวงบ้างนอนขว้งบ้างเพราะ น, นธรรมะที่มันมีความหลากหลายออกไปก็มุ่งประโยชน์ คือคูณแก่คนเป็นจำนวนมากไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ก็แน่นอนแลวถ้าเราแยกเป็นกันๆออกมาเราเห็นว่าตรงนี้เจาะจงกลุ่มนั้นตรงนั้นเจาะจงกลุ่มนั้นตรงนั้นตเจาะกลุ่มนั้นแต่ก็เป็นพระพุทธศาสนา เพราะมันเป็นในตังบุทานาสาสนังคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่ได้ผูกขาดเนี่ยเพรต้องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในวุสินาพระอาหารหันต์เยอะไปพระปฏิเจ้พระพุทธเจ้าเยอะไปพวกฤๅษีพวกนักพรตพวกนักปราชญ์ทั้งหลายนี่เยอะไปที่คํากล่าวของเขาก็สอดคล้องกับพระพุทธเจ้าโดยก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไร ที่นี่อย่างหนึ่งคือลักษณะริษยาความริษยาต่อสมบัติของคนอื่นหรือไม่ก็ทนไม่ได้ต่อสมบัติของคนอื่นนั้นมีหน้าที่คือความไม่ยินดียิ่งในทรัพย์สมบัติของคนอื่นผลที่ปรากฏออกมาคือความเบือนหน้าหนีจากสมบัติของคนอื่นนั้นออกมาที่ใจก่อนเอาในใจก่อนแล้วก็ไปออกมาทางกาย หมายความวม่าเห็นคนซึ่งเราไม่ชอบได้ลาบยอดสนสญสุขเราจะไม่ยินดีที่คนซึ่งเราไม่ชอบได้แต่ถ้าเราได้เราชอบเพราะในที่สุดมันก็เกลียดคนเกลียดคนที่ได้แต่ว่าโลคของที่เขาได้ก็เป็นอาการของทั้ง โลภะโทสะโมหะความตณีคือการซ่อนเร้นสมบัติของตนมีหน้าที่คือความไม่สบายใจเมื้อสมบัติของตนมีคนอื่นร่วมแชายสยด้วยและผลที่ปรากฏออกมาคือความเคื่องแค้นนี่คือสนีเราจะเห็นว่าเช่นสมมติสมมติว่าคนเขาตักบาดเนี่ย เราพระเดินไปบินทบาตแล้วก็ไปเห็นของที่เขาเขามีอยู่เขาก็จะรีบเอาซ่อนแตะถ้าไม่ตักบาทก็น่าละอายไอ้ตักบาทก็เสียดายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ชอบพระเลยในกรณีไม่ชอบนะในกรณีไม่ชอบ วันตรีมันจึงเป็นเรื่องของความไม่พอใจในคนที่เราเป็นเหตุให้เราหวงทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยึดติดอยู่ในทรัพย์สินเงินทองของเรามายาคือปกปิดบาปที่ตนเองกระทำแล้ว มีหน้าที่คือซ่อนเร้นบาปที่ตนกระทําแล้วนั้นผลที่ปรากฏออกมาคือการกรบเคลื่อนบาปที่ตนกระทํานี่ก็เป็นมารย า, า, าการณ์ที่เขาแสดงออกมันก็ค้ายๆจะดีแต่ว่าที่จริงแล้วโดยเจตนาแล้วก็ไม่ดีความโวอวายมีลักษณะคือการเปิดเผยคุณที่ตนไม่มี มีหน้าที่คือการประมวลมาซึ่งคุณที่ตนไม่มีเหล่านั้นแล้วก็ผลที่ปรากฏออกมาก็คือการทำคุณที่ตนเองไม่มีเหล่านั้นให้ปรากฏออกมาแม้โดยอาการทางร่างกายก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีคุณสมบัติอะไรพวกโอ้อวดทั้งหลายเราจะเห็น ว, ว่าส่วนมากก็มักจะกลวงไงนะคือถ้ามีจริงมันก็ไม่ต้องโอ้อวด แต่ว่าพอดีไม่มีจริงไม่มีจริงก็ต้องสร้างเรื่องขึ้นเพื่อให้สังคมเขายอมรับว่าตนดีอย่างนั้นตนดีอย่างนี้ตนดีอย่างโน้นแล้วความหัวดอรก็คือความที่จิตพยองมีหน้าชีคือพฤติการที่ไม่ยำเกรงผนนี้ปรากฏออกมาก็คือความไม่อ่อนโยนอยากช้ากระด้างรุนแรง พูดกันยากทําความเข้าใจกันยากอธิบายกันยากไม่ว่าเราจะมีลูกมีหลานมีสิทธิ์มีผู้ตายบังคับบัญชาอะไรก็ตามนะเจอสักคนสองคนแล้วก็มึนแล้วไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงไม่รู้จะพูดจากันยังไงความแข่งดีก็คือการทําความดีให้เหนือไว้มีหน้าที่คือแสดงตนเป็นค่าศึก ของคนอื่นผลที่เราแปรปรากฏออกมาก็คือไม่ยอมเคารพไม่ยอมรอับไม่ยอมรับนับถือสถานภาพของบุคคลอื่นการถือตัวเป็นอาการของความเย่อหยิง่งมีหน้าที่คือความถือตัวเป็นเราและผลที่ปรากฏออกมาคือความจองของพราะเราถือเราเก่งแล้วเนี่ยมันก็แสดงอาการจองของออกมา ด้วยความดูหมินก็คื อ, อความเย่อยิ่งจัดมีหน้าชี้คือความถือตัวว่าเป็นเราจัดผลที่ปรากฏออกมาก็คือมีความยิ่งจองหองเหมือนกันทีนี้ความเมาก็คือความยึดจิตในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปรกากฏออกมาก็คือความคลั่งคล้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นที่ไรโบราณถ้าบอกว่าเมากายลืมแก่เมาเมียหรือแม่แก่แล้วจะเมาอะไรนี่ความรูหมินก็คือความที่ถือว่าตัวเองเป็นเราจัดความเมาความความเลิ่นเลอ่อ ความเลื่นเลื่ อ, อมีลักษณะคือการปล่อยจิตไปในเบญจากาลมคุณแล้วก็เผลอเลอนะฮะพวกนี้ก็จะเกิดเผลอเหลงลืมพลั้งพลาดเลื่อนเือนไปนี่ก็เป็นอัตถกาาจาร์ท่านอธิบายเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยปรากฏในที่ต่างๆก็นำมาเล่าเอาไว้ทั้งขั้งเท่าไห เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมู่มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี